วันนี้เป็นวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธบริษัทพื่มีจิตศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสรุและได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติตาม วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องที่สาคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราอะไรเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราถ้าพวกเราไม่ได้มาฟังธรรมเราก็อาจจะคิดว่าร่างกายของพวกเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ถ้าเราได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราจะได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราคือใจใจจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ใจนี้ไม่ใช่หัวใจในร่างกายขอให้ทาความเข้าใจไว้ใจนี้เป็นนามธรรมาไม่ใช่เป็นรูปธรรมไม่ได้อยู่ในร่างกายเป็นธาตรู้ร่างกายนี้เป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟแต่ใจนี้เป็นธาตรู้ที่มา ร่วมกับธาตุหะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นผู้มาเป็นเจ้านายของร่างกายทิ้งเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ท่านก็ใช้ใจนี้สั่งร่างกายให้มาที่วัดนี้ใจเป็นผู้คิดแล้วก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่นี่ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจนี้สำคัญที่ตรงไหนสำคัญที่ใจไม่มีวันตายร่างกายนี้ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่ก็ตายกันไปหมดดัางนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความสำคัญแล้วร่างกายกับใจนี้ใจสำคัญกว่ามาก พใจไม่มีวันตายใจอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจนี่แหละเป็นผู้ผลิตความสุขผลิตความทุกข์ใจนี่แหละเป็นผู้ผลิตนรกผลิตสวรรค์ใจนี่แหละเป็นผู้ผลิตบุญผลิตบาปใจนี่แหละเป็นผู้ผลิตการเวียนว่ายตายเกิด เป็นผู้ผลิตตายพบการมพบรูปพบอารูปพบเป็นผู้ผลิตมรรคผลนิพพานนี่คือใจที่พวกเรามีด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นใจทั้นเองเพราะใจเป็นเหมือนกับธาตุลม เราไม่สามารถมองเห็นลมได้เราจะรู้ว่ามีลมเวลามันพัดเราจะเห็นใบไม้ไววแต่เราตอนนี้ไม่เห็นลมแต่เราสูดลมเข้าไปกันทุกคนสูดลมหายใจเข้าไปนี่ก็คือลมลมเรามองไม่เห็นด้วยตาฉนันใดใจเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเช่นเดียวกัน เราสามารถมองเห็นใจด้วยด้วยการสัมผัสรับรู้ด้วยใจเองจะเห็นใจได้อย่างชัดเจนก็ต้องฝึกสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้แยกออกจากร่างกายแล้วเราก็จะเห็นใจเหมือนกับเวลาที่เราจะเห็นร่างกายของเราเราเห็นอย่างไรเราก็ต้องใช้กระจกเงา เราจะเห็นหน้าตาเราเป็นหน้าตาอย่างไรนี้เราต้องมีกระจกถ้าไม่มีกระจกนี้เราจะไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรร่างกายเราเป็นอย่างไร <c oughs> เราต้องมีกระจกเราจะเห็นใจเราก็ต้องมีสมาธิถ้าเราฝึกสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ใจจะเห็นผู้รู้ผู้คิด เราจะเห็นว่าผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นผู้สร้างบุญสร้างบาปแล้วก็เป็นผู้สร้างผลของบุญของบาปสร้างบุญก็จะได้ความสุขสร้างบาปก็จะได้ความทุกข์สร้างบุญก็จะได้สวรรค์หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วสร้างบาปก็จะได้อบายได้นรก แล้วถ้าสร้างบุญสูงสุดได้ก็จะสร้างมรรคผลผนิพพานสร้างการสิ้นสุดของภพชาตยิยุติการสร้างภพสร้างชาติตอนนี้พวกเรากำลังสร้างภพสร้างชาติกันโดยไม่รู้สึกตัวภพที่พวกเราสร้างกันส่วนใหญ่ก็คือกามภพภพของผู้ที่ยังเสกกามอยู่ กามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะะนี่เป็นสิ่งที่พวกเราเสพกันทุกคนความอยากเสพนี่เป็นตัวที่พาให้เรามาเสพกันมีใครไม่อยากดูบ้างมีใครไม่อยากฟังบ้างมีใครไม่อยากอยากดมกลิ่นบ้างริมรสบ้างอยากสัมผัสของแข็งของนุ่มของร้อนของเย็น อันนี้เราเป็นผู้สร้างทุกครั้งที่เรามีความอยากเรากำลังสร้างการมมพบกันขึ้นมา mm hmm. แล้วก็มีพวกหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยตรงนี้เขาไม่สร้างการมมพบเขาสร้างรูปรพบกับอรูปรพบ mm hmm. เขาเป็นพวกที่ไม่ชอบเศษกรรม mm hmm. เช่นพวกนักบวชนี่นักบวชเขาถือศีลแปดกัน ถือศีลสิบกันถือศีลสองรอยี่บเจ็กันเขาละเว้นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเขาไปดูหนังฟังเพลงเขาไม่นอนกับแฟนเขานอนคนเดียวเขาต้องการความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เรียกว่าฌานมีอยู่สองระดับ ระดับรูปปัจจานกับอารูปปัจจานรูปปัจจานนี้มีความสงบมีความสุขน้อยกว่าอารูปปัจจานอารูปปัจจานนี้สงบมากกว่ามีความสุขมากกว่าฌานทั้งทั้งสองระดับนี้มีความสุขมากกว่าการเสกกรรมถ้ากายได้สัมผัสกับรูปปัจจานหรืออารูปปัจจานแล้วจะไม่อยากจะเสกกรรมอีกต่อไป ต่อยากไปอยู่คนเดียวอยากไปหาที่สงบหาที่นั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบนี้ <c oughs> ได้พบกับความสุขที่เหนือกรรมสุขนัติสันติปรังสุขขัง ส, ขสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี้เป็นความสุขที่เลิศกว่า ความสุขที่ได้จากการดูการฟังการลิ้มรสการดมกลิ่นการสัมผัสกับสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสที่ทางทางร่างกายนี่แหละคือใจที่ไปสร้างใจพบกันพวกเสพกา ม, มาพบพวกเสพกามก็ไปสร้างกา ม, มาพบกันพวกเสพรูปประฌาน ก็ไปสร้างรูปภพกันพวกเสกอรูปปาญญก็ไปสร้างอารูปภพกันภ mm hmm. บทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าเป็นความทุกข์เพราะว่าเป็นภพที่ไม่ถาวร mm hmm. เช่นมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเสกการม mm hmm. เวลามีร่างกายก็มีความสุขกัน สามารถไปดูหนังฟังเพลงไปลิ้มรสดมกลิ่นไปดื่มไปรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆตามความต้องการ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเกิดร่างกายไม่สบายร่า <Yeah. S 1> งกายตายไป <Yeah. S 1> ก็จะไม่สามารถเสพกามได้ต่อไป <Yeah. S 1> ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของความทุกข์ หรือบางทีร่างกายยังไม่ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ได้ตายแต่เงินมันตายไปก่อนไม่มีเงินเที่ยวเป็นยังไงเวลาไม่มีเงินเที่ยวสุขหรือทุกข์กันเวลาไม่มีเงินไปช้อปปิ้งไม่มีเงินไปซื้อของที่อยากจะซื้อกันเวลานั้นก็เป็นความทุกข์กันนี่คือความทุกข์ของกามมันไม่เที่ยงมันไม่มีตลอด มันไม่สามารถให้เราเสกกรรมได้ตลอดเพราะต้องมีเครื่องมือมาเสกกรรมต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ถ้าตาบอดก็ไม่สามารถเสกรูปได้ถ้าหูหนวกก็ไม่สามารถเสพเสียงได้ถ้าลิ้นไม่มีก็ไม่สามารถลิ้มรสของอาหารที่รับประทานได้ถ้าไม่มีจมูกเนี่ยก็ไม่สามารถดมกลิ่นได้ บางทีมันมีโรคทำให้จมูกเสียก็ได้ดมกลิ่นไม่ได้เช่ mm hmm. นโรคโควิดนี้เขาว่าทำให้การสัมผัสกับรสกับกลิ่นนี้มันหายไป mm hmm. คนที่เป็นโรคนี้เขาบอกว่าสัมผัสไม่ค่อยได้สัมผัสกับรสกับกลิ่นไม่ค่อยได้ mm hmm. มันก็ทำให้ความรู้สึกชีวิตจืดชืดขึ้นมา mm hmm. ไม่มีความสุขเหมือนตอนที่สามารถสัมผัสกับรสต่างๆได้ แามาดมกินชนิดต่างๆได้นี่แหละคือปัญหาของการมาเสพกามกันมันให้ความสุขเป็นบางช่วงบางเวลาที่มันพร้อมที่ร่างกายพร้อมที่เงินพร้อมของที่จะเสพก็พร้อมบางทีมีเงินแต่ไปหลงทางอยู่ในป่าก็ใช้เงินไม่ได้มีเงินก็ไม่มีประโยชน์อะไร ต้องมีศูนย์การค้ามีสินค้าที่ขายที่เราอยากได้กันแล้วต้องมีเงินถ้าไปอยู่ในเมืองที่มีสินค้าแต่ไม่มีเงินซื้อก็น้ำไหลไหลไปก่อนยังซื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการเสพการมันถึงไม่ได้เป็นสุขโดยตลอดมันมีบางครั้งบางช่วงที่ทำให้มันเสพไม่ได้ คนที่ไม่มีแฟนวันดีคืนดีแฟนต้องจากไปจะจากไปชั่วคราวหรือจากไปถาวรก็เหมือนกันพอไม่มีแฟนมาให้เสพมันก็เลยทุกข์กันนี่คือธรรมชาติของกามการเสพกามการมาเกิดในกามมาพบนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรส เพราะร่างกายมีตาหูจมูกมืนกายนั่นเองแต่ร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวมันก็ต้องตายไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายกันเพราะรู้ว่ามันเป็นเวลาของความทุกข์กันนั่นเอง<ม>แต่ก็หนีไม่พ้นถ้าลองมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายกันเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้น การแก่ไปได้การเจ็บการตายไปได้ถ้ามีการเกิดกันที่มีการเกิดก็เพราะอยากจะมาเสพกลามกันอยากจะมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องมีร่างกายกันพอมีร่างกายก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายก็มีความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้ากันทุกคนแล้วก็มีความทุกข์ในปัจจุบันด้วย เพรูปเสียงกิดลดที่เราเสพก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นรูปเสียงกิดลดที่จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวรูปเสียงกิดลดที่ให้ความทุกข์กับเราก็มีเช่นเสียงเสียงที่เราไม่ชอบมีไหมเสียงคนด่าเราเนี่ยเสียงคนดินทาเราเสียงคนดูถูกดูแคลนเราเหยียดหยามเราเสียงคนตะกนไล่ขับไล่เรา มันก็เป็นเสียงที่เราไม่อยากจะสัมผัสกันมันก็เป็นความทุกข์งั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกกระทำคือสิ่งที่เราเศษกันนี้เราเรียกว่าโลกธรรมมีอยู่สี่คือลาบยศสารเสริสุขลาบก็คือเงินทองทรัพสมบัติต่างๆมีเจริญก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ได้เงินได้ทองมาเดี๋ยวใช้ไปไม่กี่วันก็หมดพอหมดมันก็เรียกว่าเสื่อมก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกยศตำแหน่งต่างๆก็เหมือนกันเวลาได้รับการแต่งตั้งก็ดีอกดีใจกันพอถูกปดดออกก็เสียอกเสียใจกันสรรเสริญก็ดีใจกัน เวลาเขายกย่องเราว่าคุณสวยอย่างนั้นคุณหล่อยอย่างนี้ฟังแล้วโอ้โหดีใจถึงแม้ตัวเองจะไม่สวยไม่หล่อก็ดีใจไปก่อนนะ<ม>ให้พรญาติโยมมขอให้สวยไม่สางบ้านไม่รู้โรนี่ยิ้มแป้นกันทุกคน<ม>ชอบเสียงสรรเสริญชอบให้พระให้พอรอายุวันโนสุขขังพลง<ม>ังทั้งทั้งได้เป็นคาโกหกก็ชอบฟังกัน ไม่มีใครอายุยืนยาวนอนนะมันต้องตายกันทุกคนอายุวนโนสุขขังวลังนี้มันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองลาบยศสารเสรินสุขมันก็ชั่วคราวแต่ชอบให้พระให้พรนะขอให้สุขให้เจริญไปนานๆนะอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะอย่าแก่นะอย่าอะไรอย่าตายนะอย่างนี้เป็นต้น นี่เรียกว่าชอบฟังเสียงที่เสียงที่ถูกใจแต่บางทีก็ไปเจอคนที่เขาพูดความจริงให้ฟังก็โกรธก่อนเดี๋ยวมันก็ต้องตายเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นโลกกระทำนี้มันมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์คือกามเนี่ยเป็นโลกกระท การเสพโลกกระทำการเสพกามนี้จะต้องหนีไม่พ้นความทุกข์เพราะว่ามันมีของมันมาเป็นของคู่กันมีทั้งเจริญราบมีทั้งเสื่อมราบมีทั้งเจริญยศมีทั้งเสื่อมยศมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ทุกจากโลภเสียงกลิ่นรสต่างๆสุขจากโลภเสียงกลิ่นรสต่างๆ นี่คือ ธ, ธรรมชาติของกามะภพเป็นอย่างนี้ใครถ้ายังเสพกามอยู่ก็ต้องติดกับความทุกข์ของกามะภพส่วนผู้ที่เสพรูปประชานกับอรูปปานก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของกามะภพแต่มันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมเหมือนกัน เวลานั่งสมาธิจิตสงบก็จเจริญไม่าจเจริญรูปปัจจานพอรูปปัจจานเฉื่อมเสื่อมลงก็ต้องออกจากสมาธิมากลับมาที่ตาหูจมูกนิ้วกายเวลาออกมาความทุกข์ก็กลับเข้ามาใหม่ความสุขที่ได้จากรูปปัจจานก็กลับหายไปเอรูปปัจจานก็เช่นเดียวกันนะ มีความสุขแบบเดียวเท่านั้นที่จะไม่มีความเสือ่อมความสุขแบบนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้เป็นผู้ค้นพบคือความสุขของพระนิพพาน<ม>คือของการไม่มาเกิดในตายพบนี้เองไม่มาเกิดในกามาพบไม่มาเกิดในรูปะพบไม่มาเกิดในอรูปะพบแล้ววิธีที่จะทำให้ไม่มาเกิดได้ก็ต้องหยุด หยุดความอยากเสพกลางหยุดความอยากเสพรูปฌปานหยุดความอยากเสพอรูปฌานให้ได้ันี้นนแหละคือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้เราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสุลเราก็จะไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็จะคิดว่าเรา สามารถหาความสุขต่างๆจากโลกนี้ได้หาเงินหาทองกันแทบเป็นแทบตายเพื่อจะได้ไปซื้อสิ่งต่างๆที่อยากได้แต่มาเสียใจในภายหลังเมื่อสิ่งต่างๆที่ได้ซื้อมาเน้นมันหมดไปหรือมันจากเราไปหรือมันเสียไปหรือเงินทองที่จะซื้อไม่มีซื้อขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่า การมาเกิดนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขเพียงอย่างเดียวมันมีความทุกข์เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าสาเหตุที่พาให้เรามาเกิดคืออะไรกั น, นทำไมเราจรึงต้องมาเกิดในกามะภพทำไมบางคนไปเกิดในรูประภพทำไมบางคนไปเกิดอารมูปะภพก็เป็นเพราะความอยาก เ, ยเหมือนคนอยากจะเล่นการพนันเขาก็ไปบ่อนกัน เขาไม่ไปลงภาพยนตร์คนที่ชอบเล่นการพ น, นันเขาไม่ไปดูหนังเขาจะไปบ่อนคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็ไม่ไปบ่อนเขาก็จะเป็นลงไปบาร์ไปผับกันไปดื่มสุรากันคนที่อยาก เ, าเที่ยวก็จะไม่ไปลงหนังจะไม่ไปาบาร์ไปผับจะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อันนี้แหละความอยากเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดในพบต่างๆกันมาเกิดในกามาพบเพราะความอยากเสพกาสมาเกิดในรูปะพบเพราะความอยากเสพรูปประชานมาเกิดในอรูประพบเพราะความอยากเสพอารูปประชานถ้าไม่อยากจะมาเกิดในรูประพบอารูประพบหรือกาสมาพบ ก็ต oui. ้องหยุดความอยากทั้งสามนี้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านเห็นว่าการเสพการเสเพลูปฌานเสพอารูปฌานนี้มันนำไปสู่ความทุกข์ก็เลยฝืนมันหยุดมันไม่เสบพมันพอเลิกเสพได้เลิกเสบพกามเลิกเสบพลูปภพลูปฌานอารูปฌานได้ ใจก็เลยไม่ต้องมาเกิดในใจพกใจก็เลยไปอยู่ที่นิพพานแทนนั่นแหละเป็นที่ที่มีความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมเป็นความสงบที่ถาวร ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงคนพบเพียงคนเดียวสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีจานวนกี่แสนล้านนะก็ไม่มีใครรู้ว่านิพานนี้เป็นอย่างไรที่ที่ไม่มีความทุกขนะ์มีที่เดียวเท่านั้นคือนิพานนอกนั้นแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นการมาพบก็เป็นทุกข์ รูปภพก็เป็นทุกข์อาลูภพก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็เคยทุกข์มาก่อนจึงอยากจะหาทางออกไม่อยากจะทุกข์ก็เลยต้องท่งค้นคว้าหาด้วยพระ อ, องค์เองโดยการใช้สติปัญญาเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถสอนพระพุทธเจ้าได้ว่า การที่จะไม่มีทุกข์นั้นอยู่ที่ตรงไหนจุดที่ไม่มีความทุกข์นั้นอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่นิพพานนี่อยู่ที่ไม่มีความอยากทั้งสามนี่คำว่านิพพานก็คือใจที่ไม่มีความอยากทั้งสามประการนี่ไม่มีความอยากเสดกามไม่มีความอยากเสดรูปปัจจานไม่มีความอยากเสดอารูปปัจจานนี่แหละเป็น สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปสงค้นพบและทรงค้นพบว่าวิธีที่จะทําให้ไม่ไม่เสพกามได้หยุดความอยากเสพกามได้หยุดความอยากเสพรูปประชานได้หยุดความอยากเสพารูปประชานได้นั้นต้องมีอะไรต้องมีเครื่องมือ <Yeah. S 1> เหมือนกับเวลาที่เราจะสร้างบ้าน ถ้าเรา ม, ามีมือเปล่าๆสองมือนี้เราสร้างบ้านไม่ได้ช่างก่อสร้างนี้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ, ๆเขามีค้อนมีขวา น, ม, นมีจอบมีอะไรต่างๆมากมายถึงจะสามารถสร้างบ้านขึ้นมาได้ฉะนั้การที่เราจะสร้างนิพพานขึ้นมาได้เราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการสร้างนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ส่งค้นพบเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ใช้เครื่องมืออันนี้มาสร้างนิพพานมาสร้างบ้านใหม่บ้านที่ไม่มีวันพังนิพพานนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนบ้านที่ไม่มีวันพังไม่มีวันเสื่อมไม่ต้องคอยซ่อมไม่ต้องคอยเรียกช่างมาซ่อมเดี๋ยวหลังคารั่ว hm เดี๋ยวห้องน้ําเสียเดี๋ยวไฟเสีย มีเรื่องให้ต้องซ่อมอยู่เรื่อยๆแต่นิพานนี้ไม่มีวันที่จะต้องซ่อมอะไรเป็นบ้านที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาและการที่จะมีนิพานขึ้นมาได้คือต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้และเครื่องมือที่เราจะต้องใช้ในการหยุดความอยากทั้งสามนี้คือธรรมะเครื่องมือที่เป็นธรรมะมีอะไร ก็มีอยู่หข้อดืวนกันข้อหนึ่งคือศรัทธาเบื้องต้นเราต้องศรัทธาเชื่อในพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านเป็นผู้ได้คนพบพระนิพพานท่านได้ค้นพบเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเป็นที่จะมาสร้างบ้านคือพระนิพพานให้กับพวกเราถ้าเราอยากจะสร้างพระนิพพานเราก็ต้องไปศึกษาจากพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ถ้าไปศึกษาจากที่อื่นนี้จะไม่มีใครสอนได้ต่อให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย อ, อันดับหนึ่งของโลกเลยจะเป็นออกซฟอร์ดเคมบริดจ์หรือเป็นฮาวาร์ดม i t ลองไปศึกษาดูเขาสร้างได้แต่บ้านที่เป็นอิดเป็นปูนเป็นหินเป็นเหล็กแต่เขาไม่สามารถสร้างใจให้เป็นนิพพานขึ้นมาได้ ใจของเราใจของเขาก็ยังติดอยู่ในตายพบอยู่เพราะเขาไม่รู้วิธีที่จะสร้างพระนิพพานขึ้นมาว่าสร้างอย่างไรนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้นิพพานได้พบกับจุดที่ไม่มีความทุกข์ชีวิตของพวกเราถ้าไปถึงนิพพานแล้วลบคำว่าทุกข์ออกไปจากพุชธนานุกลมได้ในโลกนั้นจะไม่มีคำว่าทุกข์ ไม่ต้องไปค้นหาดูว่าทุกนี้แปลว่าอะไรมีแต่ปรมังสุขขังอยู่ในพุจนานุกรมของนิพพานมีบรลมะสุขมีสุขเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและสุขนี้เราจะรู้ได้ก็ต้องเจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นตอนนี้เราโชคดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้า พระพระพุทธเจ้าท่านจากพวกเราไปหลายพันปีแล้วสองพันห้า้อยกว่าปีแล้วแต่ก่อนที่ท่านจะจากท่านสร้างตัวแทนให้กับพวกเรา ท, ทิ้งตัวแทนไว้ให้กับพวกเราสร้างตัวแทนผู้ที่จะมาทำหน้าที่บอกพวกเราวิธีสร้างพระนิพพานกันว่าสร้างอย่างไร<ม><ม>คือสร้างพระธรรมขึ้นมาสร้างพระอริยสงสาวกขึ้นมา สร้างพระอรหันต์ผู้ที่ได้สร้างพระนิพพานขึ้นมาจนสาเร็จหรือหนังสือธรรมะต่างๆพระไตรปิฎกนี่เป็นเหมือนกับเป็นแบบแปลนแบบแปลนสร้างบ้านก่อนที่เราจะตั้งสร้างบ้านได้เราต้องไปซื้อแปลนเขก่อนซื้อแปลนว่าอยากจะได้บ้านเดี่ยวสองชั้นสามห้องนอนหรือสี่ห้องนอนนี้จะสร้างอย่างไรบ้างก็ต้องมี แบบที่เขาเขียนไว้แบบบ้านมีแบบละแล้วก็มีหลายลักษณะมีโครงสร้างมีสถาปัตย์มีอะไรต่างๆระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาอะไรต่างๆนี้ต้องมีแบบถึงจะทถถึงจะทำได้อย่างถูกต้องและสวยงามอันใดพระธรรมคำสอนก็เป็นเหมือนแบบสร้างพระนิพพานนี้เองถึงแม้พระพุทธเจ้าผู้คน ผู้สร้างนิพพานคนแรกได้จากไปแล้วแต่ท่านเขียนแบบทิ้งไว้ให้พวกเราถ้าพวกเราอยากจะสร้างนิพพานเราก็ไปขอแบบจากพระพุทธศาสนาได้ <Yeah. S 1> ที่ไหนมีพระพุทธศาสนาที่นั่นต้องมีพระธรรมคำสอนอย่างน้อยต้องมีพระธรรมคำสอนส่วนพระอริยสงสารโคกนี้จะมีไม่มีนี้ก็แล้วแต่ เพราะเดี๋ยวนี้พระ อ, อริยสงสารุกนี้หาได้ยากมากเป็นเหมือนเพชรนหายากไม่เหมอนเห็นไม่เหมือนก้อนหินก้อนหินนี่มีเยอะแยะไปหมดตามท้องถนนต่างๆและพระที่นุ่งเหลืองผมเหนืองที่เราเรียกว่าพระสงฆ์นี่ก็ไม่ใช่พระ อ, อริยสงฆ์พระสงฆ์นี่มีสองอย่างพระ อ, อริยสงฆ์กับพระปุตุชนสงฆ์คือพระที่ยังไม่ได้ รู้วิธีสร้างพระนิพพานขึ้นมาว่าสร้างอย่างไรเรียกว่าพระปุตุชนส่วนพระอริยะสงฆ์นี้ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคือพระโสดาบันนี้ได้รู้จากวิธีสร้างบ้านแล้วสร้างพระนิพพานแล้วเพียงแต่ว่าขั้นที่หนึ่งนี้ยังสร้างไม่สําเร็จยังก็ยังเพียงแต่ลงฐานขึ้นเสาเท่านั้นยังต้องสร้างต่อไปยังต้อง ใสหลังคายังต้องใส่ตั้งฝาติดหน้าตา่างทำห้องน้ำทำอะไรอีกยังมีงานอีกหลายขั้นกว่าจะเสร็จแต่ท่านรู้ท่านเห็นแบบแล้วท่านรู้แบบวิธีสร้างพระนิพพานว่าสร้างอย่างไรท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็เห็นแบบนี่เห็นแบบที่จะสร้างพระนิพพานขึ้นมาคือพระโสดาบันพระอริยสงฆ์อันดับที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบัน อันดับที่สองเรียกว่าพระสกิดาคามีอันดับที่สามเรียกว่าพระอนาคามีอันดับที่สี่เรียกว่าพาาระาอารหันต์พอได้ถึงขั้นพาาระาอารหันต์ก็ถือว่าสร้างบ้านสำเร็จและวสร้างพระนิพพานสาเร็จพร้อมเข้าอยู่ได้แต่ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนี้ยังสร้างไม่เสร็จแต่ไม่ช้าก็เร็วไม่เกินเจดชาติสำหรับขั้นที่หนึ่ง ก็จะสามารถสร้างนิพพานให้เสร็จได้ภายในเจชาติเป็นอย่างมากแต่บางท่านก็สามารถสร้างภายในเจวันก็มีภายในวันเดียวก็มีบางทีได้ขั้นที่หนึ่งปุ๊บก็ทําขั้นที่สองต่อได้เลยขั้นที่3มต่อขั้นที่4ต่อได้อย่างรวดเร็วบางบางท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมบางท่านยังไม่พร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมือหรือ บ, บางท่านยังไม่มีเวลาพร้อม ยังมีภาระอย่างอื่นที่ต้องไปทําโดยยังไม่สามารถมาสร้างนิพพานได้อย่างเต็มที่ก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยแต่ท่านเหล่านี้จะไม่ไปที่อื่นนะจะไปที่พระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นนี่แหละคือพระอริยสงสาวงที่เรากล่าว่ากันที่เราสวดกันสุปฏิปันโน ปูชุปัติปันโนยายะปัติปันโนสามีจิปัติปันโนนี่คือพระอริยสงฆ์ระษาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรร ม, มเห็นแบบสร้างพระนิพพานกันมมไม่ใช่พระที่เนี่ยเพิ่งบวชวอนนี้มีบวชปั๊บเนี่ยใครมาโกนหัวนุ่งหม่มเดี๋ยวก็เรียกว่าพระสงฆ์ละอย่างนี้ไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์เพราะยังมืดตายังบอดอยู่ ปุตุชน ย, ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังไม่เห็นแบบสร้างพระนิพานว่าสร้างกันอย่างไรดังนั้นเราต้องทําความเข้าใจนะคำว่าสงฆ์นี้มีสองแบบอริยสงฆ์กับปุตุชนสงฆ์พระสง์องค์เจ้าความจริงพระสงฆ์นี้เราภาษาพระาพานี้ถ้าไม่เรียกว่าสงฆ์แต่เรียกว่าพระภิกษุ นักบวชเนี่ยที่มาบวชกหัวหนึ่งเหลืองหอมเหลืองถือศีลรย2 7เจ็คราวนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ภาษาที่ถูกต้องเราเรียกว่าภิกษุหรือภิกขุภิกษุก็เป็นภาษา ส, าสันสกฤตภิกขุก็เป็นภาษาบาลีความจริงจะเรียกพระที่ถูกต้องต้องเรียกว่าพระภิกขุไม่ใช่ไปเรียกพระสงฆ์ควาว่าพระสงฆ์ที่แท้จริงความหมายคือ การอยู่ร่วมกันของพระหลายหลายรูปถึงจะเรียกว่าเป็นสงฆ์<ม>คือเป็นกลุ่ ม, มเป็นกลุ่มพระที่อยู่ ร, ว ม, รวมกันหลายรูปตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเราจะเรียกว่าสงฆ์เป็นกลุ่ ม, มเวลาทํากิจกรรมนี้ต้องครบองค์สงฆ์<ม>ถึงจะเรียกว่าเป็นเป็นสงฆ์แต่ไม่ใช่ว่าเป็นพระพระต้องเป็นพระภิกษุหรือพระภิกขุแต่เราพูดปนกันไปหมด จนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบวชพระบ้างบวชนาคฝั่งไม่รู้บวชใครกันเนะนีกก่ยบวชนาคหรือบวชพระดีไปบวชพระได้ไงพระบวชแล้วมันก็ต้องบวชนาคใช่ไหมแต่ภาษาเราใช้กันจนกระทั่งมันสับสนปนกันไปหมดเราก็เลยแ ย, แยกแยกไม่ออกกันพอเราเห็นใครมาบวชป้าก็คิดว่าเป็นพระอริยสงเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาแล้วเป็นพระอริยะแล้ว แล้วพอไปทําผิดศีลขึ้นมาก็สงสัยแล้วเอ้าเป็นพระอริยะแล้วไปทําผิดศีลได้อย่างไร <Yeah. S 1> เพราะว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ท่านเป็นพระปุถุชนอยู่ <Yeah. S 1> เหมือนกับญาติโยมเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาผ้าเหลืองมาห่มมากรศีรษะแล้วนี่จะเป็นพระอริยะขึ้นมาได้ทันทีถ้าเป็นได้ก็สบายจะไม่ต้องไปปฏิบัติให้เหนื่อยนั้นต้องเข้าใจ yeah. ได้มองภาพให้ถูกแล้วจะไม่สงสัยจะไม่เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเวลาที่เราเห็นพระบางรูปประพฤตตนไม่ชอบประพฤตตนไม่เหมาะสมเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาก็ยังเป็นปุตรชนมีกิเลสตัณหาเหมือนพวกเราอยู่ต่างกันตรงที่เขาโกนหัวแล้วก็นื่อเหลืองห่มเหลืองเท่นั้นเองเราจะได้ไม่เสื่อมศรัทธาเพราะมี พระอริยะก็มีพระปุตุชนก็มีนีงั้นอย่าไปเ ห, หมาหมดเหมือนว่าเห็นเห็นปลาเน่าตัวเดียวในเข่งก็เราโยนทิ้งทั้งเข่งเลยไม่กินเลยก็เอาปลาที่มันเน่าทิ้งไปสิปลาที่ยังไม่เน่ายังใช้ได้อยู่ยังกินได้อยู่ไปทิ้งทําไมพระที่ดีมีเยอะแยะไปพระที่ไม่ดีก็จับโยนทิ้งไปสิแล้วก็คัดออกจากบัญชีศรัทธาของเราไปว่า ต่อไปนี้ไม่ศรัท ธ, ธากับพระรูปนี้พระวันนี้ก็ตัดบัญชีออกไปเท่านั้นอย่าไปตัดหมดเลยบางคนกูไปเป็นคิดดีกว่าไปเป็นอิสฉามดีกว่าอ <Highway> <im> เพียงแต่เห็นว่าพระบางรูปทําไม่ถูกต้องทั้งเองนั้น <im> อย่าทิ้งพระพุทธศาสนานะเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษที่มีคุณค่ามากกว่าพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาก็เป็นของที่ต้องคุ้มครีกกับ สิ่งที่มีสิ่งโสกป่กในโลกนี้คือกิเลสตัณหาของจิตใจของคนที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งพระและทั้งญาติโยมญาติโยมบางคนก็มาคลุกคลีกับพระพุทธศาสนาเพื่อหวังผลประโยชน์จากศาสนาก็นี้มาหามาทำพุทธภาณิชย์ต่างๆไปหาหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ไปหลอกให้ท่านทาเหรียญทาอะไรแจกแล้วก็ เอาเงินกำไรใส่กระเป๋าแล้วก็อ้างว่าเอามาช่วยสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็มีเนี่ย <Yeah. S 2> ของเหล่านี้มีเพราะโลกนี้มันเป็นโลกของกิเลสตัณหาอยู่แล้ว <Yeah. S 2> อย่างเพชรเนี่ยบางทีมันหล่นใบบนดินมันก็ต้องเปื้อนเป็นธรรมดา <Yeah. S 2> ใช่ไหมแต่เพชนั้นก็ยังเป็นเพชรอยู่ดินไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนเพชรให้ไปกลายเป็นดินได้เพียงแต่ว่ามันไปหุบหอ่อเลยทําให้เพชรดูเฉาไปหน่อยดูไม่สวย แต่พอเอามาล้างน้ำาหน่อยมาขัดสีฉวีวัรถานหน่อยเพชรก็แปลงประกายแววาวาวของเพชรออกมาทันทีพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นสิ่งสกปลกมามาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเราก็ล้างมันออกไปชำระมันออกไปอย่าเอาเข้ามาว่าเป็นเรื่องของาศาสนา ต้องถือว่าเป็นเรื่องของโลกเรื่องของกิเลสตัณหาที่เห็นช่องของการมาหากินเนี่ยเพิ mm ่งมุณได้ข่าวอาตมามีเว็บเพจมีแฟนเพจภาษาอังกฤษอยู่วันนี้ตอนนี้มีเมื mm ่อ hmm. สองวันก่อนนี้มีคนทำเรียนแบบเหมือนกันเดะเลยเราดูยังงงเลยแล้วก็มาเรียลลัยของเงินจากญาติอยู่ อ้างว่าเอาเงินไปช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บไข้กับเด็กเด็กยากจนคนเขาไม่รู้เขาก็เลยส่งข้อความเข้ามาถามว่าอาจารย์ตอนนี้เรียกรายเงินแหรืออกเปล่าไม่ไม่เคยเรียกรายเงินก็เลยให้เขาช่วยแจ้งไปทาง a ฟ e b o o k เขาก็เลยลบออกกปแล้วอย่านี่ก็คืออย่างนี้ยัานญาติโยมต้องระวังนะเวลาใครแอบอ้างศาสนาเนี่ย <Yeah. S 2> ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าอย่างนี้สะพานบุญเยอะแล้วกันดูแล้วก็น่ากลัวเนะไปดูสะพานบุญทํำนูน่นบุญแบบนั้นบุญแบบนี้ไม่รู้ถูกหรอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ <Yeah. S 1> อย่างนถ้าเราไม่ไม่รู้จริงๆอย่าไปทําดีกว่าเพราะว่ามันไปส่งเสริมให้คนทําบาปถึงแม้เราอยากจะทําบุญแล้วบางทีเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจ เมื่อเขาแอบอ้างหลวงพ่อองนั้นหลวงพ่อหลวงพี่องนี้ขอทําบุญแล้วเราถ้าไม่ทําเราก็าอาจจะรู้สึกว่าเราใจจืดใจดําหรือเปล่าเราไม่ศรัทธาหรือเปล่าอะไรก็เลยบางทีด้วยความไม่สบายใจก็ทําไปก็ถูกหลอกโดยปริยายฉะนั้นอย่าไปทําถ้าใครแอบอ้างชื่อของใครต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าเป็นจริงอย่างที่เขาแอบอ้างมา ถ้าไม่เป็นจริงแล้วอย่าไปทำดีกว่ามันไม่มันเสียเงินเสียทางไปเพราะเขาไม่เอาเงินไปทำบุญเะาอาจจะเอาเงินไปทําไปไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันไปเที่ยวเต่แล้วก็ไปส่งเสริมให้เขาทำบาปแล้วก็ทำให้าศาสนามัวหมองได้คนก็เลยมองาศาสนาว่าเป็นาศาสนาโกหกหลอกลวงกันไปเั้นพยายามระวังยุคนี้เป็นยุคที่ อง่ายต่อการหลอกลวงสิ่งที่เราเห็นทางสื่อต่างๆนี้ตามต้องต้องฟังตามที่พระเจ้าสอนในการละมั่นสูตรการละมัน่นสูตรนี่ท่านสอนว่าอย่าไปเชื่อเพราะเขาเชื่อกันมาคนนั้นเขาเชื่อคนนี้เขาเชื่อแล้วก็ส่งต่อมาแชร์กันต่อมาก็ เ, าเชื่อกันต่อไปนี่อย่าไปเชื่ออย่างนั้นอย่าไปเชื่อแมเขาแอ บ, บอ้างว่าอาจารย์องค์นั้นองค์ น, งนี้สั่งให้ทําอย่างนั้นสั่งให้ทําอย่างนี้น หรือหรือเขาอาจจะว่าอาจารย์ทำเลยก็ได้เท่านมันทาเพจปลอมขึ้นมาแล้วก็อ้างชื่ออาจารย์เลยก็มีอันนี้ต้องไปสอบถามก่อนไปพิรวจก่อนพระพุทธเจ้าว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังอย่าเพิ่งไปเชื่อแต่อย่าเพิ่งไปปฏิเสธให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ไปตรวจสอบก่อนให้แน่ใจว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงแล้วก็ถ้าอยากจะทําก็ทําไปถ้าไม่อยากจะทําก็อย่าทํานี่คือเรื่องของความเชื่อในพระพุทธศาสนาศรัทธยาญาโยมนี้ส่วนใหญ่จะเชื่อแบบงมงายกันพอเชื่อแล้วต้องเชื่ออย่างเดียวไม่ไม่กล้าสงสัยกลัวสงสัยแล้วจะบาปไม่จริงพระพุทธเจ้าให้สงสัยได้อนุ ญ, ญาตให้สงสัยได้ในการละมั่สุตธ เมื่อเราได้ยินได้ฟังอะไรมาแล้วเรายังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งเชื่อแม้แต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ต้องเชื่อแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธคําว่าไม่เชื่อนี้ไม่ได้หมายคำว่าปฏิเสธนะแต่ว่าให้ไปพิสูจน์ดูเพราะตามคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสันติติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าอยากจะพิสูจน์ครรําสอนของพระพุทธเจ้าว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือเปล่านาโลกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าการการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้มีจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปพิสูจน์ดูเอาต้องไปปฏิบัติแล้วถึงจะรู้ว่ามีจริงหรือไม่แต่ถ้าไปปฏิเสธเลยว่าไม่เชื่อเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกถ้าไม่เชื่อเลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเอง งั้ของแต่ละอย่างที่เราได้สัมผัสรับรู้นี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเราต้องพิสูจน์กันเหมือนยาที่เราไปหาหมอแล้วหมอให้ยามากินเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อหมอเราก็ไม่กล้ากินยาที่หมอให้มาแต่ถ้าเราไม่กินเราก็จะไม่รู้ว่ายานั้นรักษาได้หรือไม่รักษาได้เราก็ต้องลองกินมันดูก่อนแล้ว่า แล้วหายไม่หายก็ค่อยว่ากันถ้าไม่หายจะได้เปลี่ยนหมอใหม่บางทีาหาหมอคนนี้แล้วรักษาไม่หายก็ต้องเปลี่ยนหมอใหม่ต้องพิสูจน์กันไม่ใช่ว่าไม่เชื่อหมอคนนี้เลยไม่กินยาหมอคนนี้ก็เลยไม่รู้ว่ายาของหมอคนนี้รักษาโรคเราได้หรือเปล่าอ<ม>นี่คือความเชื่อในพระพุทธศาสนาศรัทธานในศาสนาพุทธให้เชื่อด้วยปัญญาให้พิสูจน์ด้วยปัญญาด้วยการ พิสูจน์ด้วยความจริงว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงเราก็จะได้นํำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่เป็นจริงเราก็ไม่ต้องไปเอามาให้เสียเวลาเปล่าๆแต่เราต้องพิสูจน์ดู mm. เหมือนจะซื้อบ้านซื้อรถนี้เรายังต้องไปลองขับกันดูนะว่าเป็นรถวิ่งได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นมีแต่รูปรถ ข้างในไม่มีเครื่องเราซื้อมาแล้วได้แต่รถตัวรถแต่ไม่มีเครื่องเ ต, ตาร์ไม่ติดนี่ไปไหนไม่ได้มันก็ต้องมีการพิสูจน์ดูงั้นอย่าไปเชื่อเห็นใครห่มผ้าเหลืองโกนหูแล้วก็เชื่อไปเลยนี่บางทีเขาไปสมมติว่าเป็นพระอริยสงฆ์ด้วยก็ยิ่งเชื่อกันใหญ่เลยอันนี้ก็ต้องคอ่อยร ะ, ะมัดระวังไว้เชื่อหูไว้หู วังไว้ถ้าไม่มั่นใจก็ถอยออกไปดีกว่าถ้าเป็นพระอริยจริงท่านไม่เดือดร้อนใครจะมาหรือไม่มาใครจะถอยหรือไม่ถอยท่านไม่ได้สนใจท่านไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่ได้อยู่ด้วยการเคารพนับถือของผู้อนท่านอยู่ด้วยธรรมของท่านธรรมที่ทาให้จิตของท่านมีความสง บ, บไม่มีความทุกข์ท่านอยู่กับธรรมเหล่านั้น แล้ไม่ได้อยู่กับว่ามีลูกศิษย์ลูกหากี่คนมีคนทำบุญมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องที่พระอริยสงฆ์แต่ละรูกท่านจะมากังวลกันอย่านั้นไม่ต้องไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่มั่นใจก็ถอยออกไปก่อนแม้แต่พระปัญจวคีกับพระพุทธเจ้าก็ยังมีต้องถอยออกไปก่อนพระพุทธเจ้าก่อนตัสรลุนี่มีพระปัญจวคี มีลูกศิษย์อยู่ห้ารูปด้วยกันเป็นพระเป็นนักบวชเหมือนกันได้สมาธิได้ฌานเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ไม่มีปัญญายังทุกข์อยู่ยังไม่ยังไม่ได้นิพพานก็เลยหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นหาพระนิพพานให้พระพุทธเจ้าก็เลยลองหาด้วยการอดอาหารดูอดอาหารอยู่ถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกัน คิดดูว่าคิดว่าจะหยุดความอยากทั้งหลายที่มีใน ใ, นใจให้หมดไปได้หรือเปล่ามันก็ไม่หมดนความอยากก็ยังมีอยู่น่างกายจะตายสช่ไหเห็นภาพพระพุทธรูปทรงทรมานกายไหมมีหนังหุ้มกระดูกอยู่ น, ะนั่นนะ่ะอดภัยากาหารถึง4ี่สิบเวันด้วยกันจนเห็นว่าถ้าอดต่อไปก็ตายแน่นแต่ความอยากที่มีอยู่ในใจมันไม่ตายไปกับ ความตายของร่างกายตอนนี้ก็เลยได้สติว่าต้องย้อนกลับมารับประทานอาหารเพื่อจะได้มีแรงมาสู้กับความอยากในรูปแบบใหม่พอพระปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้ากลับมารับประทานอาหารก็คิดว่าพระพุทธเจ้านี้ตอนนั้นเป็นสัมมณโคดมเจ้าชายสิทธัตถะว่ายอมแพ้แล้วกลัวตายแล้วไม่กล้าไปถึงขีสุดขีดสุดท้าย คือความตายก็เลยเสื่อมศรัท ธ, ธากันมาก็เลยขอแยกตัวขอถอยออกไม่ยอมไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับใช้ไม่ติดตามอีกต่อไปไม่ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์อีกต่อไปหนีไปพูดง่ายๆเพราะเสื่อมศรัท ธ, ธาแต่มันก็เป็นเรื่องดีสำหรับพระพุทธเจ้าว่าจะได้ไม่มีกองเชียร์มาคอยดูคอยลุ้นเวลาทำอะไรมีคนคอยลุ้นนี่มันทาให้เราเครียดไหม เดี๋ยวเขาทำอะไรให้เขาผิดหวังแล้วเราเสียใจเขาก็เสียใจแต่ถ้าเราทาของเราคนเดียวไม่มีใครมาลุ้นไม่มีใครคอยมามาดูนี่เราทำไปตามความสบายของเราตามความสบายใจตามเหตุตามผลของเราไม่ง<อ>ั้นมันพยายามที่จะทำให้ได้ทำไม่ได้ก็มีคนคอยลุ้นคอยเชียร์อยู่เดี๋ยวกลัวจะทำให้เขาผิดหวังกันนี่พอไม่มีใครมาลุ้นท่านก็จะได้ ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไรด้วยการที่ได้อยู่คนเดียวนี่แหละจึงทำให้ใจของท่านเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของคนอื่นว่าเขาจะมานะเคารพเราหรือไม่เขาจะมาศรัทธาเราหรือไม่ไม่สนใจสนใจอยู่ตัวเดียวว่าไอ้ความอยากนี่มันหายจะทําให้มันหายไปได้อย่างไร ในที่สุดก็ส่งค้นพบปัญญาปัญญาก็คือการที่จะทำให้ความอยากหายไปก็ต้องมองสิ่งที่เราอยากได้ว่ามองในมุมกลับอย่าไม่มองในด้านเดียวส่วนใหญ่เวลาเราอยากได้อะไรเราจะมักมองว่ามันดีมันให้ความสุขกับเราเช่นเวลาอยากได้แฟนนี่เห็นแฟนดีไปหมดนะไม่เห็นมุมอีกมุมหนึ่งของแฟนว่ามันไม่ดีก็มีนะคน่ะ คนเรามันมีทั้งดีไม่ดีอยู่ในคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันเวลาเจอกันทีก็เอ า, เอาด้านดีหันออกมาให้เห็นเอาอกเอาใจเอา ท, ทุกอย่างชี้ฟ้าเป็นฟ้าชีน้นกเป็นนกแต่พออยู่ด้วยกันแล้วทีนี้มันมีอีกด้านนึ่งมันก็พลิกกลับมาทีนี้ด้านเอาใจตัวเขาเล้วสิเมื่อก่อนเอาใจเขาเอาใจคนอื่นพอได้เราไปแล้วทีนี้เขาก็ไม่สนใจล้วละ เขาก็จะเอาใจเขาแล้วสิพอเขาเอาใจเขาเขาไม่เอาใจเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นมากับเราแล้วเพราะเราไม่มองกันเราไปมองว่าโอ้เขาจะต้องเอาใจเราไปตลอดเอาใจเราเหมือนตอนที่เราพบกันใหม่ๆตอนที่เรายังไม่ได้แต่งยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วที่ไหนได้เปลี่ยนไปหมดเลยเขาเอาใจก็ไม่เอาใจเขา ย, ยิ้มก็ไม่ยิ้มให้ บางทีตวาดใ่ใครพูดหวานๆเดี๋ยววันวันไหนอารมณ์ไม่ดีไปพูดอะไรเข้าหน่อยก็โดนตวาดกลับก็ได้นั่นแหละเราไม่มองด้านด้านลบกันเรามองแต่ด้านบวกกันเราจึงไปเราจึงตัดความอยากไม่ได้ถ้าเราเห็นด้านลบเห็นว่าตออยู่กับเขาเราต้องเป็นกระสอบทรายต่อไปนี้อยากจะอยู่มไหมไม่อยู่่ะไม่มีใครอยากอยู่นะ มีไม่่ไปดูในภาพที่เขาถ่ายมาให้เห็นเนี่ยสามีซ้อมภรรยาเห็นไหมหน้าบวม อ, อะไรพวกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดอันนี้แหละเป็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้เป็นความสุขเพียงอย่างเดียวมันมีความทุกข์ตามมาด้วยให้คิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงคนพบว่า วิธีที่จะหยุดความอยากก็คือต้องมองด้านลบอย่าเป็นมองแต่ด้านบวกด้านบวกว่าโอ้ยมาเกิดดีเกิดแล้วจะได้เที่ยวได้กินได้ดื่มได้เสพได้ทำอะไรต่างๆแต่มองด้านลบว่าเกิดแล้วเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันจะได้ไม่อยากจะมาเกิดอีกเือต้องเห็นด้านทุกข์เราไปมองแต่ด้านสุขเพียงอย่างเดียวมันก็เลยไปกระตุ้นความอยากให้อยากเพิ่มมากขึ้น ยิ่งเห็นว่าสุขมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้าเห็นว่ามันทุกข์ปั๊บนี่ความอยากนี่โดตหายไปเลยได้ได้มาแล้วจะทําให้เรากลายกลายเป็นขี้ข้าของนี่เราอยากจะได้ของมาหรเปล่าตอนนี้เรามีอิสระภาพนะอยู่คนเดียวนี่ยเป็นเจ้านายของตัวเราเองเพราะไม่มีแฟนปั๊บเนี่แฟนมันจะต้องเป็นเจ้านายเราละเดี๋ยวก็สั่งเราพาไปนูน่นพาไปนี่ซื้อไอ้นูน่นซื้อไอ้นี่ให้อ เขาก็สั่งให้เราท ำ, ทำนู่นทำนี่ให้ทำกับข้าวให้เราซักผ้าให้เรา <Yes. S 1> อยู่ดีๆก็เลยต้องกลายเป็นคนรับใช้ไป <Yes. S 1> อยู่เฉยๆอยู่คนเดียวมีสรารภาพกับ <Yes. S 1> ไม่ชอบ <Yes. S 1> ชอบไปเป็นทาสเป็นคนรับใช้เขาค <Yes. S 1> ิดไม่เป็นไงคิดไม่มองไม่เห็นทางทางปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน yes. มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เหรียญมันมีสองด้านมีหัวมีก้อยมันไม่ใช่มีแต่หัวทั้งสองด้านฉั mm hmm. นใดชีวิตของสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกา ร, รมไม่ว่าจะเป็นรูปประชานไม่ว่าจะเป็นอรูปปัจานี้มันเป็นของที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกัน mm hmm. มันเป็นของที่ไม่เ mm hmm. ที่ยงแท้แน่นอน mm hmm. เรียกว่าอนิจจัง มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมให้มองไปแล้วจะไม่อยากได้อะไรเพราะเห็นว่าจะต้องมาทุกกับสิ่งที่เราอยากได้กันอยู่คนเดียวไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรให้ทุกข์ด้วยเพราะอยู่กับแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนพอมีสมบัติก็ต้องมาทุกข์กับสมบัติมีลูกก็ต้องมาทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีทันที คนที่ไม่มีเขาก็ไม่ต้องทุกข์เวลาที่เราไม่มีเราก็ไม่ต้องทุกข์เพียงแต่ว่าเราไม่มีกำลังสู้กับความอยากนี่เราจึงต้องสร้างพลังขึ้นมาคือเครื่องมือที่เราจะต้องใช้ในการสู้กับความอยากก็คือสติสมาธินี่แล้วก็ปัญญาปัญญานี่เราก็พูดแล้วคือต้องมองให้เห็นด้านลบให้ได้ ทุกอย่างในโลกนี้มีด้านลบหมดไม่มีด้านบวกอย่างเดียวทุกอย่างมีมีทุกข์ทั้งนั้นถ้ามองเป็นแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างนี้มันมีทุกข์ตามมาในภายหลังเ <Yeah. S 1> ต้องฝึกฝนทางปัญญา <Yeah. S 1> ต้องสร้างปัญญาแล้วก็ต้องสร้างสมาธิ <Yeah. S 1> จะสร้างสมาธิได้ก็ต้องมีสติ <Yeah. S 1> จะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรวิริยะเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. นี่คือธรรมะ ที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างพระนิพพานขึ้นมามีอยู่ห้าเบื้องต้นให้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าวิธีสร้างพระนิพพานขึ้นมานี้สร้างได้อย่างไรเชื่อได้ว่าเป็นของแท้เพราะมีผู้ที่สร้างไปซื้อไปสร้างบ้านไปเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเยอะแล้วต้องสองพันกว่าปีเนี่ย มีผู้ที่ไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจึงมีพระพุทธศาสนานี้อยู่ได้ถ้าศาสนาน พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของปลอมป่า น, นี้พระพุทธศาสนานหายไปหมดแล้วไม่มีใครเมื่อไม่มีใครเชื่อแล้วมีใครจะไปสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างเจดีย์กันแต่ที่นี้เขาเชื่อก็เห็นว่าเป็นของจริงกันสามารถเอาไปสร้างพระนิพพานกันได้เขาก็เลย เขาเลยสนับสนุนสร้างวัดกันอยู่อย่างต่อนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้ังนั้นเครื่องมือห้าข้อธรรมะห้าข้อที่เราต้องมีก็คือเนี่ยศรัท ธ, ธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาเมื่อมีศรัท ธ, ธาแล้วก็ต้องมีวิริยะความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติสร้างพระนิพพานขึ้นมาและการจะสร้างพระนิพพานขึ้นมาก็ต้องสร้างสติก่อน ต้องขยันสร้างสติจเจริญพุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดให้ได้เพราะความคิดนี้เป็นตัวเป็นอุปสรรคขวางกาั้นการทําใจให้สงบที่เราต้องการใจที่สงบเพราะใจที่สงบมันอิ่มมันทําให้อิ่มแล้วมันจะสู้กับความอยากได้เวลาเรากินข้าวอิ่มแล้วใครมันชวนเราไปเที่ยวที่ไหนไปกินที่ไหนอีกเราก็ไม่ไปเราก็ปฏิเสธได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้กินข้าวนี่ใครมาชวนไปไหนไปเล ย, ยงแม้จะรู้ว่าถูกหลอกก็ตามก็ ก็ยอมไปเพราะมันหิวแต่ถ้าอิ่มแล้วถ้ารู้ว่าเขามาหลอกเราชวนเราไปกินหลอกให้เราไปทําอย่างอื่นด้วยเราก็ปฏิเสธไปได้ไม่ไปดีกว่าอย่านี่คือทําไมเราจริงต้องมีสมาธิเพราะสมาธินี้ทําให้ใจของเราอิ่มพราออิ่มแล้วทีนี้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ฝืนมันได้แล้วถ้ามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว เราก็ไม่ทําตามมันพอเราไม่ทําตามมันไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวความอยากมันก็หมดกําลังมันก็จะไม่สามารถมาทําให้เราอยากได้ต่อไปต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมดไปจากใจถ้าเรามีเครื่องมือทั้งห้าประการนี้คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรเรียก ว, ว่าความเพียร การเพยียพยายามที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะสร้างเครื่องมือคือสติสมาธิและปัญญาขึ้นมาพอเราได้สติเราก็จะสามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้อิ่มได้พอใจเราอิ่มแล้วถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์เราก็จะฝืนมันได้เลิกมันได้เช่นคนอยากจะเลิกยาเสพติดนี้ ถ้ามีปัญญามีสมาธินี้เลอกได้ถ้าเห็นว่าติดยาเสพติดแล้วมันทุกข์เวลาไม่มียาเสพ<ม>ก็ฝืนมันยอมนะถ้ามีสมาธิใจมันจะไม่ทรมานด้วยถึงแม้เวลาจะมีความอยากใจจะไม่ทรมานแต่ถ้าไม่มีสมาธินี้เวลามีความอยากใจมันจะทรมานมากจนทนไม่ไหวจนต้องไปทำตามความอยากดังนั้นก่อนที่เราจะใช้ปัญญามาหยุดความอยากได้ เราต้องมีสมาธิก่อนต้องทําใจของเราให้อิ่มให้สุขก่อนพอใจเราอิ่มใจเราสุขแล้วทีนี้พอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็บอกเฮ้ยอยากไปทํานะเว้ยทำแล้ว เ, เดี๋ยวทุกข์นะเดี๋ยวต้องไปเจอความทุกข์พอรู้ท่านั้นก็ไม่ทําเสียแล้วใจก็ไม่ทรมานจากการไม่ได้ทําตามความอยากเพราะใจมีความสงบถ้าทรมานก็แสดงว่าสมาธิอ่อนกําลังก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปเติมกําลังใหม่ท่านเอง พอได้สมาธิกลับมาใจก็อิ่ความอยากที่ทําให้เกิดความทรมาร์นใจมันก็หายหมดไปเราไม่ต้องทําตามความอยากอีกต่อไปทุกครั้งที่มีความอยากก็ใช้สมาธิใช้ปัญญานี่แหละสู้กับมันไปจนในที่สุดความอยากมันก็ต้องแพ้ทำย่อมชนะอธรรมความอยากคืออธรรมทำก็คือเนื้อสติสมาธิปัญญาที่เรามาศึกษามาปฏิบัติกัน พยายามมาเจริญสติสมาธิปัญญาด้วยความเพียรด้วยความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ช้าพระนิพพานก็จะเป็นบ้านของเราขึ้นมาในใจนี่แหละคือใจของเราที่เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดที่พวกเราต้องให้ความสาคัญมากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะที่สร้างนิพพานก็คือใจนี้ไม่ได้ไปสร้างที่ที่ที่ร่างกายเดี๋ยวร่างกายก็ตายไปสร้างไม่ได้ สร้างที่บนที่เดินถืนไหนก็สร้างไม่ได้ต้องสร้างที่ใจเพียงที่เดียวเท่านั้นใจจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่พวกเราควรจะให้ความสําคัญและดูแลให้ดีที่สุดด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวะหาปุราปริปุเรติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังทิพเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทูปนาละโสยะถามณีโชติ สุยทาสสะพิธิโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาฒนศีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐันเตอายุวโนสุขัง ล ล, ล, ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามเราอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวพหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะไม่มีการถามตอบอีกต่อไปนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดจะถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่กลับน้ำมัสการเช้าค่ะทาง Facebook 467ท่าน YouTube 202ท่านวิทยุออนไลน์11ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ94ท่านรวมทั้งสิ้น774ท่านเชีาค่ะก็มีคำถามก็เชิญถามได้เลย <c oughs> คำถามจากคุณรัชดาวัน นมาสการหลวงพ่อคะ่ะแม่ชีติดสงบไม่อยากพุ่งกับใครไม่อยากคุยกับใครและมีความรู้สึกไม่อยากรับใช้พระเพราะไม่ลงใจทําอย่างไรดีคะทำยังไงก็อยู่คนเดียวไปสิก็ถ้าเราไม่ได้ขอพระกินก็นไม่ต้องไปรับใช้พระที่ไปรับใช้พระว่าเราวางทีเราพิ่งท่านให้ท่านหาอาหารให้เรากิน ถ้าท่านบินาบาบให้เราเลี้ยงเราเราก็ต้องรับใช้ท่านแบ่งภาระกันไปแต่ก็ไปอยู่คนเดียวไม่ต้องไปพึ่งพาสายใครกับกรรมนวัตการครับหลวงพ่ อ, อ, อพอเราออกจากความสงบแล้วนี่ถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาต้องเริ่มยังไงครับก็พิจารณาในจจังความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เรายังติดอยู่ถ้ายังติดเงินทองอยู่ติด งานการอยู่ก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมีวันใดวันหนึ่งอาจจะตกงานก็ได้บริษัอาจจะเจ๊งก็ได้อันี้ก็ต้องพิจารณาราบยศสารเสวนสุขก่อนว่าไม่เที่ยงแล้วถล้วก็มาพิจารณาตัวเราคือร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเวทนาความรู้สึกมันก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพิจารณาและให้เห็นว่าเราไปบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเหมือนดินฟ้าอากาศ เราไปสั่งให้บริษัทไม่เจ๊งได้บ่าไม่ก็สั่งไม่ได้มันจะเจ้งมันก็เจ๊งก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่ง ต, ต่างๆเพราะเราไ ม, ม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราฝึกใจให้ใจเราอยู่ในสมาธิได้เราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเราไม่ต้องอาศัยสิ่ง ต, ต่างๆมาให้ความสุขกับเราก็ได้ เราสามารถมีความสุขได้โดยการเข้าสมาธิไปก็คือให้พิจารณาความไม่เที่ยงอทีนี้ก็ให้ดูสิ่งต่างๆใช่ไหมฮะไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นของเราด้วยก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องดูเข้ามาในร่างกายอย่างนั้นนะครับก็มันก็ต้องดูจากข้างนอกก่อนไงครับปล่อยข้างนอกให้ได้ก่อนครับปล่อยลาบยศสรรเสริญสุขให้ได้แล้วก็มาพิจารณาร่างกายว่าต้องแก่เจ็บตาย ร่างกายไม่สวยงามจะได้อยู่คนเดียวได้ครับถ้ายังเห็นร่างกายคนนั้นสวยคนนั้นหล่ออยู่ก็อยากจะอยู่กับเขาพอไม่ได้อยู่กับเขาก็จะทุกข์จะเหงาแต่ถ้าเห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามก็จะไม่อยากจะอยู่กับเขาเอาไม่มีความอยากจะอยู่กับเขาเวลาอยู่คนเดียวก็จะไม่เหงาไม่ทุกข์ขอบพระคุณครับหลวงพ่อคำถามจากคุณรัชดาวันคะ่ะ เวลามีนั่งสมาธิชอบมียุงมากาัดและรู้สึกเจ็บมากค่ะบางครั้งต้องออกจากสมาธิและครั้งหลังนี้เข้าสมาธิไม่ได้ต้องปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะคิดว่าไปฉีดยาก็แล้วกันมยุงกัดก็ฉีดยาท่าเลยบอกให้มันดูดเลือดไปมันยาลูดเป็นตัวอย่างอเอาไปที่ว่าทาบุญทำทานบรยจากเลือดให้ยุงไปก็แล้วกันถ้ามันไม่อยากจะถูกม ก, กัดก็ หาที่กันยุงสินั่งนั่งหามุ้งมานั่งกลางมุ้งนั่งก็ได้ถ้าอยู่ในบ้านมีมีมุง้งรวดแล้วยุงมันยังเข้ามาบรบกวณได้ก็เวลานั่งสมาธิก็กลางมุงม้งเอาหลานพระท่านไปทุดงดงในป่าท่านก็มีกรดกรดนี้ก็เป็นล่มแล้วก็เป็นหลังคามุ้งไปในตัวท่านก็เอามุ้งมาแขวนไว้รอบร่มท่านก็นั่งสมาธิในในกรดไปในร่มไปนอนก็นอนในนั้นไปสบาย บ้านขึ้นที่ได้โมบายเปลี่ยนได้เบื่อที่ตรงนี้ก็ย้ายที่ไปที่ตรงนู้นได้ไม่ลำบากเข้าของก็ไม่เยอะมีแค่อัฐบริขารมีสมบัติแค่แปดชิ้นนะนะั้นไปไหนก็ไปได้ค่ะคำถามจากคุณประไพพัฒนค่ะ อยากขอเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการนั่งสมาธิค่ะหากเรานั่งสมาธิไประยะหนึ่งรู้สึกว่างเปล่าแต่พอนั่งไปสักพักเหมือนมันเกิดความกลัวและดึงจิตกลับมาและต้องออกจากสมาธิเลยทำอย่างไรถึงจะนั่งไปต่อได้เรื่อยๆค่ะกราบดับบาปสังาเาทโทนะเวลานั่งต้องมีพุทโธอยู่ตลอดเวลาหรือต้องมีการดูลมอยู่ตลอดเวลาความคิดกลัวมันก็จะไม่เกิด แต่ถ้าเราปล่อยนั่งเฉยๆไปเดี๋ยวปล่อยให้จิตมันคิดได้มันก็ไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรากลัวได้เั้นต้องมีอะไรคอยควบคุมความคิดคือมีสติพุทธานุสติก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอนาปานาสติก็ดูลมไปลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไปอย่าให้อย่าไปที่อื่นถ้าคอยดูลมอยู่มันก็จะไปคิดเรื่องที่น่ากลัวไม่ได้คาถามจากคุณสิริรัตน์ค่ะ นั่งสมาธิแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยแต่ความรู้สึกนุ่มสบายนานเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้บุญได้กุศลหรือยังคะก็ได้สมาธิได้ความสงบการ น, นั่งสมาธิก็เพื่อให้เกิดความสงบขึ้นมาในใจเกิดความสุขขึ้นมาในใจของเราคำถามจากคุณโรจนะค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับแล้วเราจะนิพพานได้อย่างไรครับก็ตัดความอยากสามตัวนี่ ตัความอยากเสพรูกเสียงกินรดตัดความอยากเข้าฌานตัดความอยากเข้าอารูปฌานคำถามจากคุณสิริรักหลังจากนั่งสมาธิภาวนาหลายครั้งในหนึ่งวันจะต้องแผ่เมตตาทุกครั้งใหม่เจ้าคะการแผ่เมตตานื่อต้องแผ่เวลาเจอกันไม่ใช่ตอนที่นั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวนี้เป็นการเป็นการสอนใจด้วยการสวดแผ่เมตตา ว่าสัปเทสาต า, าเวลาโหนตัวจงไม่มีเวรกันเถิดสอนคนสวดให้รู้ว่าอย่าไปมีเวรมีกรรมกับใครใครเขาด่าเราก็อย่าอย่าไปโกรธเขาเอาโหสิกรรมให้อภัย <Yeah. S 1> อย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปทาให้เขาทุกข์กายทุกใจ <Yeah. S 1> อย่าไปให้ความสุขกับเขาจงให้ความสุขกับเขามีอะไรก็แบ่งกันแบ่งปันกันนี่คือวิธีแผ่เมตตา เวลาอยู่คนเดียวเวลาสวดไม่ได้แผ่ให้ใครต้องเวลาเจอกันเ้าด่าเราสาธุสาธุาธแผ่เมตตาให้เขาเมื่อเขาอยากจะดาะ่าเราเขาด่าเราแล้วมีความสุขก็สุ ข, ขี้อตานังตอริหารันตุขอไอสัตว์ทั้งหลายจงมีสุขมีสุขเถิดถ้ความสุขของเขาคือการดา่าเราก็ปล่อยเ้าด่าไปอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาแต่เราจะไม่ไปจองเวรจองกรรมเขาเราจะให้อภัยเขา ต้องทำตอนที่เราพบปะกัเวลาเจอกันก็ยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยเนี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วไม่ให็หน้าเบืงอตึงใส่กันคำถามจากคุณมนกรกราบนมัสการพระอาจารย์ครับในประเทศตะวันตกที่เขาไม่มีประเพณีการทำบุญสังฆทานสร้างพระสร้างเจดีย์หรือการรักษาศีลสมาธิเขาจะได้อานิสงส์ของบุญและเข้าสู่นิพพานได้อย่างไรครับ เข้าไปไม่ได้นิพพานแต่เข้าไปสวรรค์ได้เขามีการทําบุญบริจาคเงินให้กับโรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้มหาวิทยาลัยก็ได้เขาก็มีโบทของเขาศาสนาเขาเขาก็มีโบทมีอะไรเขาก็มีการทําทานมีการช่วยเหลือกันและกันเขาก็ไประดับสวรรค์ชั้นเทพได้อยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้นั่งสมาธิเขาก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมไม่ได้ แล้วถ้าเขาไม่มีปัญญาไม่เห็นใจรักไม่เห็นอริยาาสัจสก็เขาก็ไปนิพพานไม่ได้ท่านเองคำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วเวลาท่องพุทโธในใจเราต้องทำอย่างไรเจ้าคะ่ะรู้สึกท่องเสียงไม่ค่อยชัดเจนเจ้าคะ่ะเราควรท่องเป็นเสียงตัวเองหรือนึกเสียงอย่างอื่นเจ้าคะ่ะท่องไปในใจไม่ต้องออกเสียงพุทโธพุทโธไปภายในใจ เอาเป็นความคิดคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไปคำถามจากคุณรัตนาพรค่ะสอบถามพระอาจารย์ค่ะหนูเคยทำผิดพลาดมาในอดีต ไม่ดูแลผู้มีพระคุณเท่าที่ดีให้ดีเท่าที่ควรจนท่านได้เสียไปทุกวันนี้ความทุกข์นั้นยังคอยมาทิ่มแทงให้เจ็บเสมอเสมอหนูจะทำอย่างไรได้บ้างคะเพื่อบรรเทาความทุกนี้ก็ไปทาประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วก็อุทิศบุญที่เราทำนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับคือบิดามารดาของเราไปคำถามจากคุณโวค่ะพระอาจารย์ครับ คนที่เคยพบเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆแล้วบางครั้งภาพเหตุการณ์เหล่านั้นมารบกวนจิตใจให้เกิดความทุกข์อยู่เสมอในทางพุทธศาสนาพอจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับก็ท่องพุทโธไปสวดมนต์ไป <Yeah. S 2> พอใจเราไม่พอใจเรามีงานทําต้องสวดต้องท่องพุทโธมันก็ไปสร้างเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาได้ ถ้าเราปล่อยใจเฉยๆเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงเรื่องไม่ดีได้แต่พอเราให้มันมาสวดมนตน์ให้มาพุโทโธพุโทโธมันก็ไปคิดไม่ได้คำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วค่ะองค์หลงตามหาบุวญาณสัมปันโนเคยกล่าวถึงพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตไว้ว่ า, วาท่านอยู่แบบมีหลักใจมักน้อยสันโดษแล้วก็ท่านมีหลักมีเกณฑ์ในการภาวนา มักน้อยคืออะไรเจ้าคะก็ไม่โลภไงนะมักน้อยก็เอาเท่าที่จําเป็นเอาเท่าที่ต้องจําเป็นเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่เอามากไปกว่านั้นเช่นกินข้าวก็กินแค่พอดับความหิวได้ไม่กินสามสี่ชามหนึ่งชามสองชามก็อิ่แล้วก็พอไม่ได้กินด้วยความอยากกินมากๆอร่อยอร่อยกินแล้วหาความสุขจากการกินอย่างนั้นเรียกว่าอยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่ออยู่ ถ้ามักน้อยต้องกินเพื่ออยู่ใช้เพื่ออยู่เสื้อผ้าก็สองสามชุดก็พอรองเท้าก็คู่สองคู่ก็พอแฟนก็คนเดียวก็พอเนี่ยก็เรียกว่ามักน้อยเ อ, อาแต่ที่จำเป็นคาถามจากคุณสุพนัทค่ะกราบสอบถามครับถ้าเรานั่งสมาธิอยู่ในฌานสี่หากเราจะเลิกนั่งเราลืมตาได้เลยหมยครับ หรือเราต้องถอยมาชันสี่สามสองหนึ่งก่อนค่อยลืมตาครับิ่มตามันก็ออกมาแล้วแหละถ้าลืมตามันก็เริ่มออกมาแล้วมันไม่มีขั้นตอนที่จะต้องถอยเข้าเกียร์สามเกียร์สองเกียร์หนึ่งตอนนี้ไม่มีคำถามใช่ไหมไม่มีคำถามแล้วน ะ, ะไม่มีใครอยากจะถามอะไรไหมหากเข้ามาถ้าอยากจะถามก็เข้ามา การขารการท่านครับอพอดีเนื่องด้วยคุณพ่อเพิ่งเสียไปไม่นานครับท่านอตอนนี้พยายามละขันห้าในส่วนของสัญญาขันนะครับท่านแล้วก็พยายามพิจารณาเรื่องของไตรลักษณ์ให้มากขึ้นแต่แต่ยังมีความทุกข์อยู่แล้วเรายังสลัดอย่างเหนียวนั้นไม่ได้ท่านสุชาติมีทำอะไรที่ผมควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าปรับตรงส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับก็ใช้พุโทโธนี่แหละเวลาคิดถึงพ่อก็ท่องพุโทโธพุโทโธไป หยุดความคิดคิดถึง mm hmm. เดี๋ยวส้าพากมันก็หยุดคิดแล้วมันก็ความทุกข์ก็จะหายไปพ mm hmm. ยายามท่องพุโทโธไว้ก็แล้วกันพุ mm hmm. โทโธจะลบความคิดที่เราคิดถึงพ่อได้ mm hmm. พอไม่คิดถึงพ่อความทุกข์ใจก็ไม่เกิดห mm hmm. ลือถ้าคิดไปในะทางที่ดีก็ได้ว่าส่วนที่ตายไปนะั้นไม่ใช่เป็นพ่อเราเป็นลูกน้องเป็นคนรับใช้พ่อเราร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายใจเป็นพ่อเรา เพราะเราไม่ได้ตายเพราะเราต้องแยกตัวออกจากร่างกายเพราะร่างกายมันทำงานไม่ได้แล้วรับใช้ไม่ได้แล้วพ่อก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องตามท่านไปเดี๋ยวร่างกายของเราก็เป็นเหมือนของท่านถ้าใช้ปัญญามันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเข้าใจว่าถึงเวลาที่ต้องไปทุกคนต้องมีเวลาไปด้วยกันทุกคน เหมือนท่านขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่เราอยู่กรุงเทพไงขอบคุณครับมีไหมคำถามอ่าเข้ามาคำถามจากคุณรัชดาวันถ้าภาวนาแล้วติดสงบจะทำอย่างไรให้มีหลักใจเจ้าคะก็ให้มันสงบนานๆบ่อยๆดังนั้งสามารถสั่งให้มันสงบได้ ความสงบนี่แหละคือหลักใจถ้าสงบใจมันก็จะไม่วุ่นวายไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ดีหรือชั่วเกิดขึ้นมันก็จะสงบมันก็จะเฉยได้แต่ถ้าใจไม่สงบเวลาดีก็ดีใจเวลาไม่ดีก็เสียใจดงั้นพยายามทำใจให้สงบมากๆบ่อยๆนานๆต่อไปเราจะได้ควบคุมใจให้อยู่เฉยๆได้ไม่ให้ไปตื่นเต้นตกใจหวาดเสียวหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆได้ หมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามไหมนับหนึ่งสองสามนะ <c oughs> อ่ะาเข้ามาหนึ่งอ่เข้ามาจากคุณน้ำครึ่งแก้วค่ะท่องพุทธโธ ท, ทั้งวันได้บุญมากน้อยแค่ไหนเจ้าคะก็ได้ได้เท่าที่เราท่องเนะ่ยท่องได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะอ่ะเออมีพุทธโธแล้วมันจะทำให้ใจเราว่างใจเราเย็น ถ้าไม่มีพุทโธเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาหรือโกรธคนนั้นโกรธคนนี้นขึ้นมาก็ร้อนถ้าเราต้งพุทโธพุทโธอยู่มันจะไปโกรธคนนั้นไม่ได้จะไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ก็ พ, พุทโธคอยกั้นเอาไว้คอยคอยคุมเอาไว้จะทําให้ใจเราเบาใจเราว่างใจเราย่นเรื <c oughs> ่องหนักอกหนักใจก็จะหายไปีพยายามท่องไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับ แล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะได้สงบได้มากมเข้าไปได้ลึกเข้าไปในฌานได้นี่คือประโยชน์ของการท่องสติเจริญสติหมดแล้วนะมหมดแล้วก็เอาท่านนี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็<ม>ขอให้ท่านจงนำเบาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ